ตอนที่48พวกเหลือขอช่างรับมื อ, อยากทั้งสองคนสั่งอาหารสองสามอย่างด้วยท่าทางหล่นลานครั้นเมื่ออาหารมาเสิร์ฟดวงตาของทั้งคู่ก็พันเป็นประกายขึ้นมาทันทีอาหารจานนี้สีสันสวยงามจริงๆกลิ่นก็หอมไม่เบาเลยนะเนี่ยร้านใหม่เพิ่งเปิดทั้งสองท่านทานเยอะๆนะคะหากมีข้อเสนอแนะอะไรบอกได้เลยคะ่ะซูมานอินเดินเข้ามาทักทายด้วยรอยยิ้ม เมื่อสองแม่ลูกได้ยินสูม่านอินพูดภาษากลางที่ชัดเจนประกอบกับรอยยิ้มที่ทําให้รู้สึกอบอุ่นราวกับลมฤดูใบไม้ผลิในใจก็รู้สึกชื่นชอบขึ้นมาทันทีทั้งคู่คีบหลิวโรตุนหมูทอดรละซอสเข้าปากเพียงคําเดียวก็รู้สึกถึงความสุขที่เปี่ยมล้นจนอยากจะสั่งข้าวสวยถ้วยใหญ่มาทานคู่กันอร่อยมากรสชาติถึงเครื่องจริ ง, รงๆเท่าแก่เนี้พ่อครัวของคุณต้องเป็นเชฟระดับพิเศษแน่ๆเลยเกาหยาเอ๋ยชมพลงังคีบเนื้ออีกชิ้นเข้าปาก เปล่ารอค่าทั้งหมดนี้คนในครอบครัวช่วยกันทําเองซูมานอินตอบกลับด้วยรอยยิ้มจุดเด่นของร้านเราคืออาหารบ้านๆที่ราคาเป็นกันเองและเข้าถึงง่ายค่ะดีค่ะอาหารบ้านๆ น, นี่แหละที่ถูกปากที่สุดซุนอวิมิ่นกล่าวอย่างพอใจหนูจะอาหารจานเนื้อพวกนี้ไม่ต้องใช้ครูปองเนื้อเลยหรือแบบนี้จะไม่ขาดทุนเอเหรอไม่หรอกค่ะคุณป้าซูมานอินยิ้มตอบ ก, การรับใช้ประชาชนและทําให้ทุกคนได้ทานอาหารอย่างสะดวกสบายต่างหากที่เป็นหัวใจสําคัญสุนอวิมินพยักหน้ายิ้มรับ คำพูดที่เป็นงานเป็นการแบบนี้ฟังแล้วช่างรื่นหูเสียจริงซุนอวิมิ่นยังอยากจะชวนซูมานอินคุยต่ออีกสักสองสามประโยคแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงที่ไม่เป็นมิตรดังขึ้นที่หน้าประตูชินเสี่ยวเย่เว่ยนางหมาปตาขาวพ่อแม่เข้าโรงพยาบาลแกกลับไม่ดูดำดูดีแกยังมีมโนธรรมอยู่บ้างไหมชินเสี่ยวซานพาพวกวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาในร้านเมื่อเห็นโต๊ะเก้าอี้ขวางทางเขาก็เตะถีบไปทั่ว ชินเสี่ยวเยเวเห็นว่าเป็นน้องชายของเจ้าของร่างเดิมก็รีบวิ่งไปหลบข้างหลังซูมานอินด้วยความประหนกช่วยด้วยพี่มานอินซูมานอินรีบกางแขนปกป้องฉินเสี่ยวย่าวไว้ข้างหลังทันทีชินเสี่ยวซานมีอะไรก็ออกไปคุยข้างนอกอย่ามาทําตัวรบกวนคนอื่นทานอาหารที่นี่ซูมานอินฉันจะพูดที่นี่แหละที่นี่คนเยอะดีจะได้ให้ทุกคนช่วยตัดสินความยุติธรรมให้พวกเราด้วยชินเสี่ยวซานลากเก้าอี้มาตัวหนึ่งแล้วนั่งลงอย่างไม่เกรงใจ เธออยากจะเป็นแม่ไม้ก็เป็นไปคนเดียวสิทำไมต้องลาพี่สาวฉันมาเป็นแม่ไม้ด้วยแถมยังบังคับให้พี่สาวฉันเขียนหนังสือตัดความสัมพันธ์กับพ่อแม่เหลวไหลซูมอนอินขัดจังหวะคําพูดของชินเสี่ยวซานทันทีที่พ่อแม่แกตัดความสัมพันธ์กับพี่สาวแกก็พระแกะเข้าไปปล้นทรัพย์ในบ้านคนอื่นต่างหากเมื่อทุกคนได้ยินว่าชินเสี่ยวซานไปปล้นทรัพย์สายตาที่มองมาก็เปลี่ยนเป็นดังเกียรเดียดฉันทันทีชินเสียวซานพูดตะกุกตะกาก แกแกพูดเมื่อฉันแค่ไปขอของที่บ้านที่สาวฉันจะเรียกว่าปล้นได้ยังไงการเอาทรัพย์สินของคนอื่นไปโดยที่เขาไม่ยินยอมและมีการข่มขู่คุกคามถ้าไม่ใช่ปล้นแล้วจะเรียกว่าอะไรซูมานอิงกล่าวด้วยน้ําเสียงเฉียบขาดเสี่ยวเย่เว่ยอยู่บ้านถูกพวกแกสูบเลือสูบเนื้อแม้แต่เงินชดเชยของสามีเธอก็ถูกพวกแกกวาดไปจนไม่เหลือแม้แต่หยวนเดียวตอนนี้แกยังจะเอาเธอไปแลกตัวเจ้าสาวเพื่อให้แกได้แต่งเมียอีกเหรอแกยังมีความเป็นคนอยู่บ้างไหม ซุนอวหมิ่นและเกาหยาได้ยินชัดเจนทุกคำนึกไม่ถึงเลยว่าชินเสี่ยวเย่เว่ที่ดูเป็นเด็กสาวร่าเริงจะมีเบื้องหลังที่น่าสลดใจขนาดนี้น้องชายบ้านเดิมคนนี้ยังมีหน้ามาหาเรื่องถึงที่อีกเหรอฉันไม่สนพ่อแม่ป่วยอยู่เธอจะทิ้งความไม่สนใจไม่ได้แกเป็นคนตายหรือไงซูมานอินดากลับตรงๆถ้าพ่อแม่แกป่วยจริงๆแกยังมีเวลาพาพวกนักเลงมาอารวะที่นี่อีกเหรอเฮ้ยแกหาว่าใครเป็นนักเลงวะ วัยรุ่นสองคนถกแขนเสื้อเดินเข้ามาหาซุนอวิมินเห็นว่าว่าที่ลูกสะั้ยกำลังจะเสียเปรียบจึงเตรียมจะลุกขึ้นช่วยแต่ถูกเกอหย่าลูกสาวดึงตัวไว้ก่อนแม่ดูไปก่อนจะลงไม้ลงมือใช่ไหมได้เลยมุมปากของซูมานอิงยกขึ้นเล็กน้อยออกไปข้างนอกโนนท่าของในร้านพังขึ้นมาพวกแกไม่มีปัญญาชดใช้แน่เหอะฉันจะพังมันเดี๋ยวนี้แหละ นักเลงคนหนึ่งคว้าชามกระเบื้องขึ้นมาเตรยมจะคว้างลงพื้นแต่ใครจะรู้ว่าทันทีที่เขายกมือขึ้นข้อมือของเขาก็ถูกซูมานอินคว้าไว้หมินเมในช่วงที่นักเลงคนนั้นกำลังอึ้งซูมานอินก็แย่งชามกระเบื้องกลับมาได้จากนั้นก็ได้ยินเสียงกรอบดังมาจากข้อมือของเขาอาร์กแก่แกเป็นมวยซูมานอินวางชามกระเบื้องลงบนโต๊ะแล้วชี้ไปที่ฉินเสียวซาน เสี่ยวซานเรื่องที่แกถูกตีจนแขนหักคราวก่อนไม่ได้บอกเพื่อนฝูงบ้างเลยหรอแกนี่มันไม่จริงใจกับเพื่อเลยนะก้าวหยาถึงกับอึ้งไปเลยแม่ผู้หญิงคนนี้เก่งชะมัดสุนอวีมิ่นเองก็นึกไม่ถึงเหมือนกันผู้หญิงที่ดูผอมบางขนาดนี้กลับมีแรงมหาศาลพวกนักเลงเห็นถ้าไม่ดีต่างก็หันไปมองชินเสี่ยวซานชินเสียสเส่ยวซานทำหน้าเจริญพวกแกมองฉันทำไมย็นนั่นมีแค่คนเดียวพวกเรามีตั้งสามสี่คนจะจัดการเย็นนั่นคนเดียวไม่ได้เชียวเหรอ ชินเสี่ยวซานแกเพิ่งออกจากสถานีตำรวจมาได้ไม่นานอยากจะกลับเข้าไปอีกใช่ไหมชินเสี่ยวย่าตะโกนออกมาจากข้างหลังซูม่านอินถ้าเข้าไปอีกต่อให้พ่อแม่มาอ้อนวอนชั้นๆก็จะไม่เซ็นหนังสือยอมความให้เด็กขาดชินเสี่ยวเย่เว่นางหมาป่าตาขาวแกเป็นแม่ม่จะเก็บเงินไว้ใช้คนเดียวทำไมไม่ให้ฉันใช้แล้วจะให้ใครใช้ไม่ไหวแล้วโมโหชะมัดซุนอวี๋หมิ่นฟังจนความดันขึ้นนึกไม่ถึงว่าในโลกนี้จะมีคนไร้เหตุผลขนาดนี้อยู่ด้วย เฮ้ยแกเป็นผู้ชายตัวโตวมีมือมีเท้ายังมีหน้ามาของเงินที่สาวเชียอีกเหรอแกยังไม่หย่านมหรือไงก็อย่าเห็นแม่ลุกขึ้นมาทวงความยุติธรรมเธอก็ลุกขึ้นตามนั่นสิพวกเราเห็นกันหมดแล้วว่าพวกแกตั้งใจมาหาเรื่องตอนนี้เขากำลังกวาดล้างพวกอันธพาลอย่างหนักกำลังขาดตัวอย่างไปเชื้ดไก่ให้ลิงดูพอดีเข้าไปคราวนี้ต่อให้มีเงินประกันก็ออกมาไม่ได้หรอก ลูกค้าคนอื่นๆที่นั่งทานอาหารอยู่ก็เริ่มส่งเสียงสนับสนุนเมื่อสถานการณ์เริ่มบานปลายหลียวอวิหงและฉินเหรียนซานก็วิ่งตามเข้ามาเสี่ยวซานลูกแม่ลูกไม่บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมฉินเสี่ยวซานชะ ง, งักไปครู่หนึ่งก่อนจะรีบผลักพ่อแม่ไปด้านข้างไม่ใช่สิพ่อกับแม่พวกแม่มาได้ยังไงเสี่ยวซานแม่กลัวว่าลูกคนเดียวจะสู้คู่แม่ผัวลูกสะใภ้ใจยักษ์ใหญ่นี่ไม่ได้เลยตามมาช่วยเสริมกำลังให้ลูกไง หลิวอวี๋หงปลอบลูกชายเสร็จก็หันไปด่าชินเสี่ยวเย่าอีกรอบนั่งหมาป่าตาขาวและยังอายหาเงินมาได้ก็เก็บไว้ใช้เองคนเดียวช่างเห็นแก่ตัวจริงๆแม่ไม่ยังมีโมโนทำอยู่บ้างไหมฉินเสี่ยวเย่าขอบตาแดงกับพูดด้วยความอัดอั้นเงินชดเชยของไว้ตงแม่ก็เอาไปหมดแล้วยังจะมาแย่งเงินค่ากินอยู่จากหนูทุกเดือนอีกถ้าไม่ใช่เพราะครอบครัวสามีคอยช่วยเหลือหนูคงอดตายไปนานแล้วก็ควรจะอดตายไปตั้งนานแล้วหลิวอวี๋หงกล่าวอย่างโหดร้าย นังลูกสาวที่เอาใจออกหักเลี้ยงแกสู้เลี้ยงท่อนไม้ยิ่งดีเสียกว่าฉันว่าป้านั่นแหละที่เป็นท่อนไม้ก็อย่าทนไม่ไหวอีกต่อไปผู้หญิงแล้วมันทําไมป้าไม่ใช่ผู้หญิงหรือไงมายืนด่าลูกสาวต่อหน้าคนแยแยะขนาดนี้ลับหลังคงไม่รู้ว่ารังแกแกยังไงบ้างผู้คนเริ่มซุบซิบวิพากวิจารณ์กันนี่มันลำเอียงรักลูกชายเกลียดลูกสาวเกินไปแล้วเมื่อกี้ยังบอกว่าพ่อแม่ป่วยอยู่เลยดูสิขแข็งแรงกว่าฉันอีก ซูมานอินเหลือบมองสุนอวีมินแล้วก็อยารู้สึกว่าสองแม่ลูกคู่นี้มีความยุติธรรมจนเกินพิกัดไปหน่อยสองแม่ลูกยิ้มแห้งๆให้แล้วก็นั่งลงที่เดิมอย่างสงบเส ง, เงีมิมฉันไม่สนฉันเป็นแม่มันฉันไม่มีเงินใช้มันก็ต้องให้ฉันซูมานอินกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาลิวอวีหงหนังสือตัดความสัมพันธ์คราวนั้นลืมไปแล้วเหรอเหอเหนือว่าพวกเราไม่รู้กฎหมายหรือในความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างพ่อแม่ลูกมันตัดกันไม่ได้ลิวอวีหงกล่าวอย่างลำพองใจ ในเมื่อฉันเป็นคนให้กำเนิดมันมันก็ต้องเลี้ยงดูฉันเพราะฉะนั้นเงินชดเชยที่ฉันเอาไปน้ำมันก็ถูกต้องเหมาะสมแล้วนั่นก็ไม่แน่เสมอไปเสียงทุ่มกังวลของผู้ชายคนหนึ่งดังขึ้นข่มความลำพองของหลิวอวิหงจนมิดเงินชดเชยของทหารคู่สมรสคือผู้รับผลประโยชน์อันดับหนึ่งการแย่งชิงไปโดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอมถือเป็นการครอบครองทรัพย์สินโดยมิชอบแกเป็นใครลิวอวิหงมองชายที่อยู่ตรงหน้าด้วยสายตาดูแคลน ในครอบครัวเราเกี่ยวอะไรกับแกด้วยผมคือเจ้าเฉียนผู้อํานวยการสํานักงานเขตในเมื่อคุณยอมรับออกมาเองว่าครอบครองเงินชดเชยของทหารโดยมิชอบผมคิดว่ามีความจําเป็นต้องให้หน่วยงานกิจการพลเรือนเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ